اللهم um il ah u ن ت ربي لا r ل ه b ل ا a ن ت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك ما استطعت أبوؤلك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أبوه بذنبي، فغفر ا لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم u ن ي a أعوذ بك من شر ما صنعته พี่น้องที่ร่วมนมาดยซุบทุกๆท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาลาที่เราได้ทบทวนนะอัลกุรอานมาถึงสุร Al ์อัลฮิจูนะครับสุร์ที่สิห้าอายะที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทบทวนคุรานมาเกี่ยวกับเรื่องนบีลูตนบีลูตอะลัยฮิสสลามกับนบีอิบราฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนาอยู่ในช่วงเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัด มาลายกาเนี่ยลงมาเนี่ยนะลงมาอัลลอฮ์ส่งมาลายกาลงมาเนี่ยถ้าส่งมาลายกาลงมาหนึ่งมาบอกข่าวดีสองมาบอกมาแจ้งข่าวร้ายหรือไม่ก็พาอาดาบลงมาด้วยมันมีข่าวดีกับข่าวร้ายว่าที่มาลายกามาวันนั้นมหาเนบีอิ บ, บรอมหาเนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาเป็นแขก มาแจ้งข่าวดีกับนบีอิบราฮิมแจ้งข่าวดีก็คือว่าท่านจะได้ลูกชายบอกด้วยนะว่าเป็นผู้ชายนะสองเป็นลูกที่มีความรู้เป็นอาลิมอาลิมอาลิมมีความรู้แล้วก็สามให้ชื่อมาด้วยว่าลูกท่านเนี่ยจะชื่ออะไรนะอิสฮาก จากตรงนี้เนะี่ยทำให้เราเข้าใจว่าวันนี้ถ้าเราถ้าภรรยาเราทองหรือว่าหลานเราทองระหว่างที่ท้องอนะ่ะถ้าเราสามารถจะรู้ได้กับเป็นลูกผู้ชายนะไม่มีปัญหาจะทำยุลิละก็รู้ไปจะตั้งชื่อเลยได้ไหมได้เนี่ยจากกุงอ่านระยะนี้นะทําให้เราได้รับข้อมูลเยอะทำยุลิละ แล้วก็มาเลยกะที่มาหานาบีอิบรฮีมพอแจ้งข่าวดีเสร็จแล้วก็ไปหานาบีลุตอะไรวิสาลมพอไปตรงนั้นก็ไปแจ้งข่าวได้นบับบีอิบรฮีมเหมือนเรื่ลืมเล่าไปนิดหนึ่งตอนรับแขกเป็นคนแรกของโลกว่าง่ายๆก็จัดหงอาหารมาเลี้ยง นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราได้รับความรู้ตรงนี้ว่าการต้อนรับแขกนั้นเป็นมารยาทของบรรดานาบีและนาบีมุฮัมมัดก็มาเสริมอีกในการต้อนรับแขกก็ทํำยังไงใช่ไหมหน้าตาต้องยิ้มแย้มเจ้าของบ้านเนี่ยอย่าไปหน้าบึ้งหน้าโกรธมาทมําไมแขกทีนี้นาบีก็พูดว่าแขกเนี่ยหน้ามาเอาของดีมาให้ก็เยอะที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ย มันั่งอยู่ในบ้านเราแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่บางทีเล่าลอะไรให้เราฟังเยอะไปหมดทำให้เราได้รับรู้แต่แขกก็ต้องนึกนะเล่าของดีๆอย่าเล่าของที่มันเป็นการนินทาเนี่ยพอเราอายุเยอะแล้วยังยังไม่เลิอกอีกหรือไอ้คนนินทาใส่ร้ายค น, นพอไปหานบีลูด อ, อีกอีกจังหวัดหนึ่งที่นั่นน่กำลังอะไรนะฮอร์โมนเซ็กชวล ผู้ชายเข้าหาผู้ชายกันโอ้เรื่องดังมากเลยช่วงนั้นแต่นี้มล า, ายกาที่มาเนี่ยน่ารอน่ะสวยด้วยมาถึงบ้านนะบีลูดเสร็จแล้วคนที่เป็นสปายบอกใั้ชาวบ้านรู้ก็ภรยานนบีลูดนั่นแหละนี่มาแล้วหน้าตาหล่อเลยเธอจัดการก็มาก็ทั้งหมู่บ้านสิโอ้โหมาด้วยความดีใจ ทันมีแล้วจะมีเซ็กกับคนนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นบีนบีรูดนี่กลัวพอแขกมาที่บ้านนี่กลัวมากเลยกลัวพวกนี้กลัวชาวบ้านเนี่ยจะมารังแกแขกแล้วก็มาที่บ้านนบีด้วยและชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ให้เกียรตินบีรูดเลยโดยเหตุนี้นบีรูดก็กลัวว่าแขกนี่จะถูกทําร้ายถูกรังแก มะไร่ก้าวบอกว่าไม่ต้องวงไม่ต้องกลัวฉันเป็นมะไร่กะาวทำร้ายใครทําร้ายฉันไม่ได้โอ้เพราะว่าอย่างนั้นนบีเขาสบายใจแล้วมาแจ้งข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวดีกับนบีลูตกับข่าวไม่ดีกับชาวบ้านที่ไม่เอาศาสนาการไม่เอาศาสนานี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีในะสมัยเราเนี่ยมันมีมานาแล้วตั้งแต่สมัยนบีนวัวเรื่อยมาเนี่ยใช่ไหม อาดามถึงนวนีประมาณพันปีคนยังนับถืออัลลอ์กันทุกคนน่ะหลังจากนบีนวะมาเนี่ยนั่นแหละเริ่มแล้วเริ่มมีอะไรต่ออะไรเข้ามาเต็มไปหมดนบีลูดพูดบอกว่าทาไมคุณไม่แต่งงานกับผู้หญิงโดยอ้างว่าผู้หญิงตามบ้านเนี่ยเหมือนลูกสาวของฉันเหมือนลูกสาวของฉัน ต้องการจะบอกว่าเด็กผู้หญิงทั้งหมดที่เป็นลูกของใครก็ตามเนี่ยนะเหมือนกับลูกของนบีลูดนั่นแหละเหมือนกับในอัลกุรอานวันนี้พุละเราเอ่ยถึงภรรยาของนบีมุฮัมมัดเราบอกว่าภรรยาขนาบีมุฮัมมัดทุกคนเป็นอุมมุลมุมินินอุมมุลแปลว่าแม่มุมินินแปลว่าผู้ศรัทธา เป็นมารดาของผู้ศรัทธาทุกคนนั่นเราต้องให้เกียรติกับภรรยานาบีทุกคนแต่ก็มีบางกลุ่มที่ด่าภรรยานาบีมีใช่ไหมนี่ไงนี่น่ะอันนั้นมันผิดผิดผิดอย่างแรงเลยเพราะว่าไปขัดกับคุรานฉะนั้นห้ามด่าภรรยานาบีแล้วก็อีกอย่างนึ่งซัวบ้านนาบีก็ห้ามดา่าด่าไม่ได้ใช่ไหมนี่คุรานนะครับอาทีนี้ นบีลูตเนี่ยเป็นนบีที่ที่ภรรยาไม่เล่นไม่เล่นด้วยว่างนะ่ายเนี่ยภรรยาเนี่ยไม่เอาศาสนาและเป็นไงภรรยาตายไหมตายวันนั้นนบีลูตเดินออกจากบ้านแต่เชา้าพาะมาลัยกาสั่งว่าคุณออกจากบ้านหมู่บ้านคุณแต่เช้าเลยนะแล้วก็อย่าหันหลังกลับมามองคนคน ข, ข, ข้างหลังเว้นแต่ภรรยาของนบีลูตคนเดียว คือไอการมองเนี่ยหมายถึงใจยังยังยั ง, ยงห่วงอยู่แผ่นดินมันก็สูบเน่ะดูดเลยนะดูดพระญาณะบีรุ่นวืบอย่างนี้เลย น, นั่นเป็นเครื่องหมายทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างว่าอิหม่ามได้กีอ่านในมาซูบโบ่ไม่ได้กี่เนี่ยว่าอุมลีและหุมวันนี้คนที่ทำผิดนี่นะอลัลลอฮ์ก็เล่นงานเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นงานเมื่อไหร่ อากูอธิบายบอกว่าที่อัลลอฮ์ยังไม่เล่นงานคนที่ทำความผิดตอนนี้อัลลอ์ประวิงเวลาไว้เท่านั้นเองประวิงเวลาไว้ไอการประวิงเวลาไว้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเขานี่ถูกประวิงเวลาเพราะเขาเป็นคนผิดการเตาบ้ากับเนื้อกับตัวถ้าเกิดขึ้นกับคนนั้นดีไหมดีมากเลย แต่ถ้าหาว่าเขาไม่รู้ตัวล่ะเขายังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์อยู่ยังทรยศต่ออัลลอ์อยู่ยังเป็นศัตรูกับสุนนนาบีอยู่เนี่ยนั่นก็คือเท่ากับเป็นการเพิ่มการลงโทษให้กับคนคนนั้นเองการประวิงเวลามีสองอย่างนะหนึ่งประวิงเพื่อเตาบ้าตัวต่ออัลลอ์ดีไหมดี ถ้าไม่แต่บ้าตัวแต่ตตตลอการประวิงเวลาของสาหรับเขานั่นเป็นการเพิ่มโทษเนี่ยคุณอ่านเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าอย่าเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเรานะเอาแต่ว่าอัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ประวิงเวลากี่วันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะกี่วันจนกว่าจะจนกว่าจะตายจนกว่าจะตายจนกว่าจะอะ ตั้กว่าจะตายนะท่นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นี่คุรานเล่มนี้นะอัลลอฮ์อธิบายอะไรอะไรไว้เยอะในคัมภีร์คุรานเอ้าวันนี้มาดูมาดูกันอายะห์ที่เจ็ดสบเอดนะครับลามรุกอินนาหุมลาฟิซักรอดีหิมยามหูนอัมรุนนี่ยแปลว่าอายุอุมรุนอัมรุนเนี่ยแปลว่าอายุทั้งคู่ จะเป็นอินฟัตฮาหรืออินดอมมาก็เหมือนกันอัอมรุนอุมรุนแปลว่าอายุในตันสิทอธิบายอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นฟัตฮาลาอัมรุนนี่ฟัตฮานะลาอัมรูกาเนี่ยนะอินฟัตฮาคำนี้น่ะต้องใช้กับคําสาบานอ่าอัอมรุนอุมรุนแปลว่าอายุทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าใช้อัมรุนเนี่ยตัวอินฟัตฮา ลาอัมรูกะแปลว่าอะไรนะขอสาบานด้วยชีวิตของท่านลาอัมรูกะขอสาบานด้วยชีวิตของท่านเรื่องสาบานในเรื่องใหญ่หมดนะอย่างเราขึ้นศาลเนี่ยสาบานต่ออะไร阿拉 <c oughs> <c oughs> สาบานต่อคัมภีร์มันผิดอยู่แล้วล่ะใช่ไหม ต่อสาบานต่ออัลลอฮ์องเดียวอย่างอื่นสาบานไม่ได้แต่อัลลอ์เนี่ยสาบานได้อัลลอ์ Allah, ฉันสาบานต่อใครนะอัมรูกะอายุไขของท่านมาถึงอายุไขของนบีมุฮัมมัดอ่าว่าไง น, นะนบีมุฮัมมัดอายุของนบีมุฮัมมัดต้องการจะบอกว่าเรื่องการสาบานนี่มันเรื่องใหญ่ฉะนั้น ถ้าอัลลอฮฺสาบานปั๊บเนี่ยโอ้โหเรื่องที่ตามมานั้นใหญ่หมดเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีอย่างแรงถ้าเลวก็เลวอย่างแรงเลยเอามาดูอัลลอฮฺสาบานลาอัมรุกะขอสาบานด้วยชีวิตของใครนะมีคนอื่นครับในอันกรุรอานเนี่ยไม่มีคนอื่นนอกจากนบีเบบันคนเดียวอาลาอัมรุกะขอสาบานต่อชีวิตของมอามัดของท่าน อินนาหุมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นพวกใครอ่ะพวกนบีลูธเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังแท้จริงพวกนบีลูธกับพวกนบีอิบรอฮีมาลายิสลามอสองกลุ่มพวกเขาเป็นยังไงครับลาฟีสักคาร์ติฮิมพวกเขาอยู่ในความสักคาะ์แปลว่าเมา อยู่ในความเมาอยู่ในความมึนเมาอยู่ในความมัวเมาเมาเรื่องอะไรอ่ะพ่อไม่เอาศาสนาอ่ะพ่อไม่เอาศาสนาเลยถูกตําหนิว่าเป็นคนเมาคนไม่เอาศาสนานี่ยเป็นคนเมาหมดเนีย่ยวันนี้ก็มาคนเต็มไปเลยใช่ไหมนะคนะมุสลิมที่ถล้ำไม่เอาศาสนาก็เยอะ ตอนนี้กําลังเมามาอยู่เนี่ยยังไม่ตื่นนะอุบิลลาฮิมิ ล, ลาลิกดูที่คนไม่เมาน่ตื่นบวชใช่ไหมแล้วคนเมามันหลับไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่อย่าลืมเนี่ยอาซามันมามาตอนเช้านี่แหละเซนนั่นมิมาตอนเช้านี่แหละแผ่นดินไหวก็ตอนเช้านี่แหละเพราะว่าคนกําลังเมาอ่ะนอนเมามึนใช่ไหมท่านคนที่อ่านกุรอานต้องนึกโอ้ฉันนี่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนขี้เมานะ ละอัมรุกะขอสาบานด้วยชีวิตของมุฮัมมัดอินนาหุมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคนในสมัยนบีลูดสมัยนบีอิบรอฮิมใช่ไหมหรือคนยุคไหนก็ได้พากุูอานในมายุคยุคยุคสุดท้ายหรือยุคนี้ที่ไม่เอาศาสนาทําตัวเหมือนพวกนบีลูดทําตัวเหมือนพวกนบีอิบราฮิมที่แอนติศาสนาหันหลังให้กับศาสนาหันหลังให้กับสุนัขนบี หันหลังให้กับอัลกุรอานทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าลาฟีซัครอติหิมพวกเขาอยู่ในความมึนเมาแล้วเป็นไงครับไม่ใช่เมาอย่างเดียวนะยาหมาหูพวกเขาหลงหลงอย่างคน้นตาบอดอมยุนแปลว่าตาบอดยาหมาหูแ ah ปลว่าหลงอย่างคน้นตาบอดในทูงดา <c oughs> ไม่ใช่ชมนะ อัลลอฮ์ดาสองเรื่องด้วยกันคนที่ไม่เอาศาสนานั้นถูกตำหนิจากอัลกุรอานโดยอ้างโดยสาบานอ้างชีวิตของมุฮัมมัดสโลนะมุสลามลาอัมรุกะมุฮัมมัดเอ๋ยขอสาบานต่อชีวิตของท่านที่เป็นนบีมาตัแต่อายุสี่สิบถึงหบปีนั้นนะ่ะชีวิตของคุณนะมีชีวิตที่มีค่ามากเลยต้องการจะยกจะบอกว่า ชีวิตของนบีมุฮัมมัดเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครแล้วในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่สาคัญกว่าชีวิตของนบีมุฮัมมัดสลตละอิยาห์อุบซาลัมอธิบายง่ายๆถามว่านบีมุฮัมมัดเคยพูดอะไรตามอารมณ์มีไะไม่มีเลยครับไม่มีอะไรไม่เคยพูดอะไรตามอารมณ์นบีไม่เคยพูดตามอารมณ์อ้าวุองอ่านอายาไหนที่อัลลอ์ประกัน ว่างไงนะกูอานบีใช่ไหมนะ่ะอ่านกูอ่ว่าไงครับอะไรนะ <pol k ans i> ว่ามายัมติกูอ่านนิลฮาว่าอินหัวอินละวาฮยุยยูฮานบีไม่เคยพูดตามอารมณ์ทั้งหมดที่นบีพูดนบีแสดงนี่นบีทำนั้นเป็นได้รับวาฮีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นชีวิตของนบีมุฮัมมัดไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้อง อย่าดูถูกอย่าเยียดยม้มอย่ามองข้ามสุนนะนบีโอฉะนั้นสุนนะนบีนั้นมีราคาแพงมากเลยเพราะอัลลอฮ์ยกย่องในกตีกุรอานไว้ชีวิตของมุฮัมมัดตั้งแต่เป็นนบีมาตั้งแต่ก่อนเป็นนบีด้วยสะอาดบริสุทธิ์มาตลอดเลยท่านการช้าขายของท่านนบีจึงเป็นแบบการอยู่กับภรรยาจึงเป็นแบบการเข้าห้องน้าเป็นแบบการนมารเป็นแบบ การทําอะไรทั้งหมดนั้นมีราคาแพงหมดเลยฉะนั้นเราต้องนึกถึงอุ้มชีวิตของนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะยูบอสลัมให้เยอะมากเลยฉ ะ, ะนั้นคนที่ขวางนบีมุฮัมมัดนั้นได้ชื่อว่าไงนะพวกนี้เป็นคนมัวเมาสองเป็นคนที่หลงไปอย่างตาบอดคนที่ขวางุ น, น้านบีตาบอดมัวเมาเป็นคนหล้มนี่พูดได้เต็มปาก ท่านนี่นะหะดีสนะฮะสอธิบายอย่างนี้เรื่องสาบานอย่างเดียวแต่ฟอธิบายเป็นหน้าหน้าถ้าคุยนะชั่วโ ม, มงก็ไม่จบอาสรุปสั้นๆกาแล้วกันว่าท่านอิบนอับบาสเนี่ยเป็นสาบานนาบีญาตินบีด้วยพูดบอกว่ามาคอนละกอลลออัลลอฮ์ไม่ไม่ได้สร้างอะไรไม่มีสิ่งใดที่อัลลอ์สร้างมาบนโลกนี้ที่จะสำคัญกว่า ชีวิตของนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมว่ามามผัตอักซมาบ ح ي าตอนดีขอฮฉันไม่เคยได้ยินว่านาบนีเคยสาบานชีวิตของใครไม่เคยนอกจากสาบานชีวิตของนบีมุฮัมมัดคนเดียวรสดงว่านบีทั้งหมดมี25ท่านที่ไม่มีชื่อเป็นแสนน่ะแต่อัลลอฮไม่เคยสาบานของใครเลย สาบานมุฮัมมัดอย่างเดียวลาอัมรูกะขอสาบานต่อชีวิตของมุฮัมมัดแสดงว่าชีวิตมุฮัมมัดนั้นเลิศมากฉะนั้นเราจะสาบานต่อมุฮัมมัดได้ไหมไม่ได้สาบานต่อวัตถุไม่ได้ยกเว้นอัลลอฮ์องเดียวแม้จะขึ้นศาลนะสาบานกับคุรานก็ไม่ถูกนะแต่ไม่มีใครไปพูดนะ <c oughs> ฉะนั้นสาบานต่ออัลลอฮ์อง์เดียวฉนันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ سبحانه ะุ์ุ์ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ เอาต่อมาครับท่านนาบีสอนอย่างนี้นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะไซนาอุมัดเนี่ยสาบานต่อบิดาของเขาไซนาอุมัดสาบานต่อบิดานาบีจะ ย, ยินนบีก็บอกว่าอุมัดเอ้ยระวังนะอย่าสาบานต่อบิดาของท่านแต่แต่จงสาบานต่อใครนะต่ออัลลอฮ ถ้ามาอย่างนั้นให้นิ่งเงียบเงียบยงเงี่ยงเฉยเฉยท่านอัลลอฮฺอย่างนได้ขอสาบานต่อมุฮัมมัดไม่ได้ขอสาบานต่อต้นไม้ไม่ได้ทราะะนั้นมุสลิมต้องสาบานต่อ AH อัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นเองทีนี้มาดูอัลลอฮฺสาบานนอกจากมุฮัมมัดแล้วอัลลอฮฺสาบานต่อสิ่งรายการอีกเจดรายการมีอีกเจดรายการนะ ดูสิอัลลอฮฺสาบานเจ็รายการน่ะมีเรื่องอะไรบ้างให้ดูแลอะไรบ้างสาคัญไหมสาคัญมากเจรายการมีอะไรครับหนึ่งสาบานต่อเนี่ยวะชัมศิวบุฮาสาบานต่อดวงอาทิตย์วัลกอมารีฎะตาลาสาบานต่อดวงเดือนวันนาฮ์รีฎะจัลลาสาบานต่อดวงแต่ต่อกำวันวันไลลียก สาบานต่อกลางคืนสีแล้วนะวัสสัมวิวามาบนาสาบานต่อชันฟาห้าวัลอาลุติวามาต่ฮาสาบานต่อแผ่นดินที่อัลลอฮฺแผ่กระจายไปหกวันัฟเิวามาสาวาสาบานต่อวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดเจ็ดรายการสาบานให้มนุษย์ทำอะไร ถึงดาสาบานต้องเจ็ดรายการหมดยังโลกุญยาบันเนี้มสำคัญสำคัญหมดแล้วนะอ ะ, อะไรนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินและวิญญาณรัวของมนุษย์ทุกคนเาลาสาบานตั้งเจ็ดรายการเนี่ยนะให้ดูแลอะไรครับกอดอัฟลาฮามันจากาแปลว่าอะไรแท้จริงคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดนั่น เขาสำเร็จแล้วเขาได้รับชัยชนะแล้วอุตาสาหบาลตั้งเจดรายการเพื่อให้มนุษย์ดูแลตัวเองให้ดีเห็นยังแต่ตั้งการปล่อยปะละเลยหมักหมมตัวเองทำความผิดแล้วก็ปล่อยแช่เอาไว้แบบน้ำประเชงอะ่ะใช่ไหมแช่ไว้ทำอะไรตั้งยี่สิบปีขาดนามาสไว้ยี่สิบปี อัลลอฮฺอักวัตไม่มามัสยิดมายี่สิบปีไม่อ่านกูร์านมายี่สิบปีอัลลอฮไม่จ่ายสการมายี่สิบปีถ้าว่าแช่ความชั่วเอาไว้นะ่ะมันดีที่ไหนอ่ะถ้าหากว่าดีอัลลอฮไม่สาบานตั้งเจตราการเราว่าคุณแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะก่อดออัฟละฮมันซักกะแท้จริงคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดเท่านั้นแหละเป็นคนที่ อัฟละได้รับความสำเร็จลองตายดูสิไปสวรรค์รุดเลยต่นี้วก็คอบมันดสัสฮาคนที่หมักหมมหมักหมมแช่เอาไว้นึกว่าน้ำประเชงิงคอบล้มเหลวครับขาดทุนล้มเหลวอังพินาตหมดเลยลองตายดูสิชีวิตลำบาก แค่นั้นอัลลอฮฺสาบานต่อสรรพสิ่งเจรายการเพื่อดูแลตัวเองให้ดีคุณดูแลเองเพราะอัลลอฮฺให้มาแล้วใช่ไหมดูแลตัวเองให้ดีซักฟอกซะอย่ามักหมมนะครับอา้าวห้ามดูแ ล, ลเอาต่อมาครับถามว่านาบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยทําไมอัลลอฮฺตำหนิว่าอยู่ในความมัวเมาอยู่ในความอะไรนะ เ, เขาเรียกว่าตาบอดเพราะอะไรครับอย่าลืมนะต้องนึกภาพด้วยนะกลุ่มนบีลูดเนี่ยอัลลอฮ์ให้สองสามอย่างหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงนะความรู้ความสามารถเก่งมากเลยแล้วก็สองนนั้นสกัดภูเขาเป็นบ้านน่ะสกัดภูเขาเป็นบ้านน่ะ พ, พ, พ, พ, พุตกบุษหน้าดูเลยเยอะยิงจ้องหองโอ้โหยใช่ไหม แล้ ว, วความคิดความอ่านอิฉลาดแบบพวกเราวันนี้แหละมีการศึกษาจบด็อกเตอร์กันเยอะมีรถขับใหญ่คันใหญ่ๆโอ้โหมีบ้านหลังสวยๆมีที่ดินร้อยไร่พันไร่ใช่ไหมอันนี้ของฉันของฉันตะกบมุดเยอะยิงจงหองเหมือนกันแล้วเป็นไงพวกนี้เป็นไงครับรฟลัดแปไว้นะไม่ฟังคำเตือนของนบีลูตไม่ฟังคกเตือนของนบีลุ และส่วนใหญ่เวลาเราเราจะส่งส่งส่งส่ ง, ส ง, ส ง, สงนบีมาเนี่ยบางทีจนจนกว่าตัวเองอ่ะมองไหมถ้านาบีจนกว่านี่เราก็ไม่มองนบีอยูแ่แล้วนบีอะไรจนๆนบีมันต้องมาแบบนู้นกบบทักสินมาแสนล้านอย่างนี้จะมามันไม่ใช่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นกนูอ่า น, นลาอ่านมนต้องพิจารณาอัลลอฮฺอักบะด์เวลาอัลลอฮฺส่งอะไรมาดูถูกไม่ได้เลยฉะนั้น พวกนบีลูตเนี่ยดูถูกใช่รอฟลัตหมายถึงไม่ฟังคำตเตือนและพวกนี้ใช่ครับหลงอยู่กับความเก่งความสามารถของตัวเองทนงตนเองว่าตัวเองนั้นเก่งเพราะว่าสามารถสกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วก็มีความมีชีวิตอยู่แบบสบายอะ่ะมีคนชมคนใายบริการดูแลอย่างดี แล้วก็มีฮอร์โมนเซ็กชวลด้วยอู้หูมันอร่อยน้อยกวะไรเนี่ยเราตาลาก็เลยเล่นงานนะครับอ้าวต่อมาครับอัารดลงโทษยังไงพี่น้องมาดูดูคุอานต่อไปข้อที่เจ็ดสิบสองฟาอาคอฟาอาคอซาตฮุมอัลไซฮะตูมุชลิกินอาคอซเนี่ยแปลว่าเอามาถึงลงโทษฟาอาคอซาตฮุม ได้อสอยฮะแปลว่าเสียงกมปนาตแปลว่าความพินาศอัลลอฮ์ได้สรงความพินาศมามาทำอะไรครับมาอาคอร์ดะแปลว่าทำลายพวกเขาเหล่านั้นส่งอาซาบลงมาจากฟากฟ้ า, าโดยตรงเลยไปน้องอาาบนะมาจากฟากฟ้ า, าโดยตรงเลยไปน้องเวลาไหนครับ มุสริกีตอนตะวันขึ้นอ่ามุสลิกเนี่ยมัชริกเดี๋ยวไปว่าตะวันขึ้นส่วนใหญ่อาซาบของอลัลลอฮ์เนี่ยมาในสองช่วงช่วงกลางคืนกับช่วงตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าทำไมพี่น้องสังเกตคนเช้าเช้ามันนอนกันอยู่ถ้าไม่นอนก็ตื่นทํามาค้าขายหาดิสกีกันอยู่เพลินไหมเพลินนึกถึงอลัลลอฮ์มีกี่คน ไม่เคยมีวันนี้ก็เหมือนกันตอนเช้าๆเนี่ยค้าขายกันหมดใช่หรือไม่ใช่แล้วคนละหมาดดูฮามีกี่คนดูฮามีกี่คนอลอพระกระเพาะหมู่บ้านน่ะมีสักสิบคนหรือเปล่าหรือยี่สิบคนไม่มีส่วนใหญ่นะน้อยมากเลยถ้าตื่นมาก็ค้าขายขายโจกกับเพลินกับโจ๊กนั่นแหละขายโรตีก็ขายโรตีขายโรตีขายทอดไก่มันอร่อยหมด เพรินหางเงินหาทองพี่น้องระวังระวังระวังในตอนเช้าๆ้าก็ตอนกลางคืนเนี่ยสองเวลานี่คนกำลังลืมอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และตอาละเอานี่อัลลอฮ์มันใส่นะฟ้าข้อสดูมุสไยฮะตุดังนั้นเสียงความพินาศเสียงเสียงดังดนะังน่ะอัลไสยฮะได้ทำลายพวกเขาตอนไหนมุชริกีในตอนเช้าในคุอานายาตอื่นอธิบายอย่อยางนี้ อินนามอัอาดอุมอินนามอัลไดุหุมุสรบฮ์อัลลอฮฺุบะฮฺอุบิคุรีเท็จิงสัญญาของพวกเขาคือยามเช้ายามเช้าไม่ได้มาใกล้ดอกหรือคือนบีอ่ามาเลกาณนะ์ลงมาบอกนบีลู็ ว, ว่าตอนเช้าฉันจะเล่นงานเธอนะอัลลอฮจะลงโทษนะเธอออกจากหมู่บ้านไปเลยเจ่ไหมบาิกาถางว่าตอนเช้ามันใกล้หรือไกลก็ไม่กี่ชั่วโมงนี่เจ๊ะไหมล่ะ าต่อมาครับวิธีลงโทษทำไงครับอายาที่าัลนฟะจัลนอาลียาซาฟิลฮวอมตรนอฮมฮิจาระัมินิจีลดังนั้นเราได้พลิกทำข้างบนลงข้างล่าง แล้วก็เอาข้างล่างขึ้นข้างบนกุรอรณพูดทีละคำเลยฟาจัลนะอาลีอาลีแปลว่าข้างบนซาฟิลแปลว่าข้างล่างทาข้างบนลงอยู่ข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ไงเขาเรียกว่าพริกแผ่นดินวะอัมตอร์นามาตอร์แปลว่าฝน แล้วอัลลอฮ์ได้ให้อาดัลฮิมฮิจาร์ฮิจารับประว้หินอัลลอฮ์ได้ให้หินเนี่ยตกลงมาจากฟากฟ้าเหมือนฝนว่าอัมตอรนาอาดัลฮิมฮิจารเราได้ให้หินตกลงมาจากฟากฟา้าหินทําด้วยอะไรครับมินสิจีทาด้วยดินแข็งอะ่ะไม่ใช่หินธรรมดาหินแข็งอะ่ะไม่ใช่ฝนอะ่ะ เป็นเป็นอะไรนะเป็นหินตอนที่นบีนบีอะไรนะนบีมุฮัมมัดวันที่นบีเกิดปี น, นั่นนะ่ะที่พวกอะไรนะเยเมนจะมายึดนครมักกะทําลายกาบาใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ส่งนกมามินซินยินเหมือนกันนะ่ะเอาหินมาจากนารกแต่มาโปรยให้ตายหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้าใช่ไหมก่อนหน้าพวกเายเมนที่จะมายึดนครกา บ, ก า, บากาบาทําลายกาบาด้วยนะอัลลอฮ์ก็ส่งมา อาทีนี้เมืองเราเนี่ยยังอยู่ไหมนะเนี่ยเมืองที่อัลลอฮฺพิกแผ่นดินยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่นะอาดูกุรอานต่อไปอินนาฟิดาลิกะลาอายาติลลิลมุตาวซิมีนแท้จริง ฟีดาลิกะในนั้นเนี่ยแน่นอนมีอะไรละอาญาตินี้สัญญาณมีสัญญาณละอาญาตมีสัญญาณหลายอย่างนี่เป็นประุพจนด้วยนะละอาญาตินมีสัญญาณ ม, มองได้หลายมุมจากแผ่นดินที่อัลลอฮฺคว่ำเอาข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างแล้วคนตายเหลือคนมัต้องพูดนะตายเรียบหมดเลย เทนามีครั้งที่แล้ว 200,007 ใช่ไหมละ่ะละครนี้ที่อัลลอฮฺพลิพกแผ่นดินในคุ้นตาเท่าไรเนี่ยเยอะนะเป็นล้านนะพลิกทั้งเมืองเลยนะเพราะคุรานสอนว่าไงนะมาอินนฟิซาจิกาละยยะที่อัลลอฮฺคว่าแผ่นดินวันนั้นพลิกแผ่นดินวันนั้นมีสัญญาณหลายอย่างสําหรับใครครับลิลโมตาวซีมีนสาหรับผู้ที่พิจารณาคนที่วิเคราะห์ คนที่ใช้ปัญญาจะเห็นอะไรเยอะไปหมดเลยเอาเราลองมานั่งดูเคราะห์กันดูนี่อัลลอฮ์พูดกับนบีมุฮัมมัดให้พวกเราอ่านคุรอ่านวันนี้ฉะนั้นคนที่อ่านคุรอ่านจะเป็นชาวไหนก็ตามต้องเดินมาที่ที่นาะที่เดซีแต่วันนี้ก็เรียกชื่อใหม่นะก็เบะฮ์รุลมมยิดทะเลตายก็เรียกว่าเดซีใช่ตรงนั้นแหละเป็นที่ที่อัลลอ์ลงโทษ ยังอยู่นะผมอ่านภาษาอูรดูเมื่อคืนเนี่ยก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยน้ําน้อยน้ํามันเยอะไอ้ไอที่อยู่ที่เดซีวันนี้เนะเป็นทะเลเล็กๆเนี่ยนะน้ํามันเยอะมากเป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันหมดเลยน้ําเนี่ยน้อยมากจนนั้นสัตว์มีชีวิตทั้งหมดอาศัยอยู่ไม่ได้อาศัยอยู่ไม่ได้ ทีนี้นบีมุฮัมมัดน่ะสอนเวลาเราเดินผ่านตรงนั้นน่ะไม่ใช่ผ่านแบบดีใจนะไม่ต้างผ่านแบบดีใจเวลาผ่านไปต้องรีบเดินแล้วก็ผ่านไปใจต้องนึกอัลลอฮ์เนี่ยคนตรงนี้มันทมันเลวมากเลยนี่ถ้าฉั้นเลวแบบเขาฉันก็ต้องถูกลงโทษแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอัลลอฮ์ประวิงเวลาประวิงกี่วันจน ก, กว่าจะตายมันต้องนึกครับ อินนฟิซาลิกาลาอายะแท้จริงตรงนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณเยอะแยะไปหมดอภพนนี่องจะมองคิดอะไรก็คิดไปสิอันฉะนั้นวันนี้มีเขาเขาตำหนินะในตบซิดอัดตำหนิไว้คนที่ไปตั้งโรงแรมมีไหมมีโรงแรมตึกสูสๆใหญ่ๆเพื่อที่จะไปหาไปเมคมันเนี่ยไปหาสตังคนไปก็ไปอาศัยอยู่ตรงนั้นแหละ ท, ท, ทั้งๆที่ที่นั่นเป็นที่ที่อัลลอกเกลียดชังอะ่ะ ฉะนั้นเราก็ต้องนึกท่า น, นอย่าไปหากินตรงนั้นไปหากินที่อื่นขายตัวเครื่องบินก็ไดไ้จะให้คนไปตรงนั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นตนอะละนี่เป็นข้อสัญญาเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่อ่านอัลกุราอานอะต่อมาอายาที่76ว่าอินน่าลาสลาบิซบิลิมมุกตีมและแท้จริง ลาบิซาบิลมันอยู่บนทางมันอยู่บนทางเดินสถานที่นี้นะมันไม่ได้อยู่ไกลไหหรอกมันอยู่บนเส้นทางเดินทางของคนที่เดินสัญจรไปมาอัลลอฮฺอักุบะด์โกีมุนแปลว่ายังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่อลัลลอฮฺยังไม่จะทําลายแบบฟาโรห์ทำลายอย่าง ยังอยู่ศพมัมมี่ยังอยู่ยังไม่ทำลายยังไงลนะ่ะยังเก็บเอาไว้เป็นอะไรเป็นมัมมี่เอาไว้ฉะนั้นคนที่ไปอีอยิปต์ไปเห็นมัมมี่ต้องนึกโอโ้โฉนทรนงทองตัวแบบฟาร์โร์ถูกแน่ๆไปตัวนูวน้นฮโมนเซ็กชวลมันมีเครื่องหมายให้นึกถึงอาซาบได้ตลอดเวลาวอินนาฮาลาบิซาบีลิมมูติมแท้จริง ชาวเมืองของพวกนี้มันอยู่บนทางที่ยังคงมีอยู่จนจวบปัจจุบันนี้ยังสามารถเดินไปมาหาสู่ก็ได้ผ่านไปได้ฉะนั้นพี่น้องชาวมักกะนิดที่อัลลอฮ์เล่าอ่ะเล่าให้กับชาวมักกะนะชาวมักกะเอ๋ยเวลาคุณไปค้าขายไปถึงเมืองชามนะ่ะคุณก็เดินผ่านเมืองนี้แหละเนี่อเป็นเ ด, ดซีตรงเนี้คุณได้ข้อคิดอะไรบ้าง ท่าน ค, คุณแอนตี้นบีมูฮัมมัดระวังระวังคุณถูกแบบนี้แหละคุณนี่ไม่เอาซุ น, น่านาบีคุณถูกแบบนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่นั้นพวกเราวันนี้ที่อ่านคุณอ่านคุณต้องนึกโอ้ซุ น, น่านาบีเข่าบ้านนอนกับภรรยาแต่งงานตายทํำยังไงถ้าไม่เอาซุ น, น่านาบีมากํากับชีวิตของเราแล้วเราเหลืออะไรแต่นั้นถ้าหากเราไม่เอาซุ น, น่านาบีมาใชา้เราก็อะไรนะซักคอร์ติหิมยามาหูเมาแล้วก็ตาบอด หลงหลามหลามรูกัอะไรนะอายุของนบีมุฮัมมัดอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺซาบาดต่อชีวิตของนบีมุฮัมมัดคนไม่เอ า, าศาสนาเป็นคนหลงเป็นคนที่มัวเมาตัวเองนะครับทีนี้คําว่าผู้ที่เดินทางจากนาครมักกาไปถึงเมืองชามพูดใหม่นะเมืองชามเนี่ยความจริงอ่ะคัาแบกออกเป็นสี่ประเทศแล้วตอนนี้เื็นฝีนมือของเยโฮดีทั้งหมดนั่นแหละ อิรักเดิมเรียกว่าชามเลบานอนประเทศเดียวกันเรียกว่าชาม์จอร์แดนอูรดุนเขาเรียกว่าชาม์ซูเรียทะเลาะกันนี้เลิกยังที่ซูเรียกำลังยิงกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะอ่าตายเป็นพันแล้วน่ะเป็นหมื่นแล้วนะซนะีเมืองนี่เรียกว่าชาม์ฉะนั้นไอ่เนี่ยไอ้ในเดซีจอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะั่นแหละฉะนั้น ต้องการจะบอกว่าคนที่เดินผ่านมันเห็นอะไรๆเยอะไปหมดทําไมไม่คิดละอายะทําไมไม่คิดทําไมไม่ใช้ป <inaudible> <ina> <Rico> ัญญาทําไมไม่กลับเนื้อกลับตัวมาหาอัลลอฮ์มหาราซุนนะครับตรงนี้เป็นต้นในคุ้งอานายะอื่นมีอย่างนี้นะครับว่าอินนักุมละตะมรุน عليهم م ص ب ล ي ن ล ا ل ل ي ل أفلا تعطلوا นะซุรอตซอฟาตบอกว่า แท้จริงสูเจ้าเดินผ่านสถานที่ของพวกเขายามเช้าแล้วก็ยามคำ่ำการ น, นั้นสูเจ้ายังไม่ใช้ปัญญาอยู่หรือรวมไปถึงพี่น้องที่เดินทางไ ป, ปเนี่ยจังหวัดภูเก็ตไปเจอเซิรนามิตรงนั้นได้ข้อคิดอะไรบ้างรวมไปถึงที่จังหวัดอะไรนะประกาพวกเราเนี่ยชุมพรน่ะะ ตีไปลายปลายทอนชายทะเลต้องนึกหมดเลยเนี่ยที่ถูกอัลลอฮ์เล่นงานหมดแล้วใช่ไหมล่ะได้ข้อคิดอะไรบ้างจำดีเป็นต้นนะครับได้ที่เราตรงนี้มาก่อนมันมีอาซาบหรือปล่าเราไม่รู้นะ <c oughs> วันนี้เราทำเลยแล้วเราก็ต้องนึกต้องนึกการที่ผมที่เรากลัวมากคือถ้าฐานถ้าแผ่นดินไหวในกรทมเนี่ยตายเยอะนะเพราะว่าตึกสูงสูงสูงสูงเนี่ยรอดนี่นะ แต่สายล่อล่ออาซาบเต็มไปหมดเนี่ยสายสายล่ออาซาบฮโมอเซ็กชวลมีไห ม, น, มนักขรมร์นี่มีทำซินามีไหมมีค่ากันมีไหมมีป้นกันมีไหมมีสายล่อล่ออาซาบหมดเลยอะ่ะนี่เราจะเล่นงานเมื่อไหร่ยังไม่รู้นั่นที่เรานั่งขอดูอานกันในมัสยิดที่เราต่อว่าที่กาบบช่วยประคองชีวิตคนชั่วให้อยู่ทำชั่วต่อไป ขต้องขอบคุณตลอุภาณูตาลนะครับเขาต้องขอบคุณไม่ใช่เราขอบต่อมาครับย่าที่เจสิปว่าอิงกานะอัชฮับุลไอกะตีละลอลิมินแท่จรอัชฮับุลไอกาไอกานี่แปลว่าอะไรนะปาทบ ที่มีต้นไม้เยอะๆนะเขาเรียกว่าไอกาทีนี้อัลลอฮ์ต้องการจะเล่าอะนบีชูอัยบเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งมานะนี่ต้องการจะเล่าประวัติศาสตร์นะว่านาบีชูอัยบเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาส่งมาสอนพวกไหนพวกไอกาพวกไอกาเนี่ยหรือพวกมัดยันก็เหมือนกันกลุ่มเดียวกันคนเหล่านี้ทําชั่วอะไร อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนพวกนี้ทําชั่วสามบาปสามเรื่องใหญ่ๆหญ่หนึ่งทำชิริกต่ออัลลอฮ์ชีริกอธิบายได้ใช่ไหมหนึ่งนับถือ AH, ถอัลลอฮ์นับถือสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ด้วยอย่างพวกเราวันนี้นับถืออัลลอฮ์นับถือโ AH, ตะระยองนับถือโตะตะเกียนับถือคนตายไปหาคนตายที่กูโบไปน้อง นับถือโตแซโตนุโตนี่นั่นทำชีริกทั้งหมดบูชาร่วมดวงอาทิตย์ดวงจันต้นไม้ภูเขาผูกตะกงตะกุดแต็ไมไปหมดเนี่ยใช่ไหมนะ่ะคนในสมัยนบีชว่วยพวกนี้ก็ทำชีริกอลัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนอย่าทำแล้วก็บาปที่สองอะไรครับป้นป้นคนคนเดินทาง คุสมัยคนเขาชอบเดินทางกันไปค้าขายกันอันนี้ไม่มีอาชีพอะไรหรอกดักอยู่ทางตัถนนน่ะป่นคนนั้นป่นคน น, น, น, นี้อย่างสมัยนี้ป่นง่ายพอรถมาเป็นคันๆใช่ไ่าคันห น, นึ่งมีห้าสิบคนจับรถไว้โอ้โหนากกาคนเรือเรือเรือเรือเรือได้เป็นล้านน่ะอ่านี่นี่เป็นความชั่วชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนบีชูอิฟอัลลอฮ์ส่งนบีชูอิฟมาสอนอย่าอย่าเลิกได้หมดความชั่วที่สามก็คือ โกงตาช่างกับโกงการตรวงช่างไม่อะไรนะไม่ครบอ้าวเมื่อก่อนพวกเราทำนานก็ใช่หมหนะ่ะโอ้โหเวลตาตักข้าวใส่ถังนี่เห็นชัดๆเลยว่าโกงอะ่ะผมก็ยืนมองตอนปเป็นเด็กๆก่อนพอไปเรียนนึกสงสารกาบพื้แหวงไปหน่อยเก่งๆฮัลโหลโกงอ่ะ ความมาเอาละตกลงว่าพวกนบีชูอัยบมีความชั่วสามรายการที่อัลลอฮ์ได้ทรงนบีชูอัยบมาสอนหนึ่งอะไรนะสามชิริกสองปล้นอาชีพปล้นสามอะไรนะโกงต่าช่างและสมัยนี้นะ่ะมีกี่รายการสมัยนี้น่ะหนักสุดนะปล้นมีไหมมีโกงมีไหมมีชิริกมีไหมมี อย่างอื่นนี่แหละฮอร์โมนเซ็กชวลมีไหมมีทุกนบีมีสมัยนี้หมดเลยนี่อัลลอฮประวิงก็ไว้นะยังยังไม่ลงโทษฉะนั้นพวกเราช่วยกันทำงานศาสนาก็หน่อยช่วยเตือนกันบอกกันอะไรกันเยอะๆ Allah อัลลอฮุลลอักุบัดอ่ะทีนี้พวกอัสซฮบุลไอกะพวกป่าทึบเนี่ยเป็นยังไงลาลลอมีนอัลลอฮ์พูดคำเดียวง่าย พวกนี้เป็นพวกอธรรมแน่นอนซ่ำเล่มเป็นคนเลวเป็นคนอาธรรมนี่ถ้าไม่อ่านตับซิดไม่รู้เลยว่าเอออธรรมอะไรเพราะอ่านโอ้โหเขาทําบาปใหญ่ไว้สามรายการนะ่ะนะเิริกิปล้นโกงโกงตช่างเห็นไหมแสดงว่าผู้นั้นค้าขายอะ่ะชีวิตค้าขายตลอดพอมันอ่านตับซิดอธิบายบอกว่าใครถ้าค้าขายนะถ้าไม่โกงก็บอ ก, กไม่รวย ต้โกงถึงจะรวยนบีมุฮัมมัดอะอัลลอฮฺอัลกบะดอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยเดินตลาดตอนเช้าเช้นานบีก็มีอยู่ข้างหนึ่งนบีเห็นคนนั่งค้าขายอยู่เอาข้าวสาลีวางอยู่นบีเอามือเนี่ยแยลงไปในข้าวสาลีแล้วก็จับเอาออกมาข้าวสาลีเปียกอยู่ข้างในนบีถามว่าอ้าวทาไมเอาของเปียกๆอยู่ข้างในล่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตก คนขายว่าฝนตกแกตัวดีนะนบีว่าถ้าของเปียกต้องเอามาไว้ข้างบนเขาจะได้รู้ว่าของเปียกและคุณก็ต้องบอกด้วยนี่นบีแนะนำเลยนะนี่ไงความรู้อย่างนี้นะอัลลอฮ์สอนนบีไม่ได้คิดเองถ้าเราบอกสินค้าเรามีตำหนิบอกเขาเลยเอาส้มชั้นอันนี้มีตำหนินะธรรมดาถ้าไม่มีตำหนิขาย ห้าสิบบาทถ้ามีตรแหนิยี่ห้าพวกธรรมชาติค้าขายของท่านมีบารากะ อ, อย่าไปอย่าไปอะไรนะ <c oughs> อย่าไปมั่วมัวมกเม็ดพวกนี้เอาเลเอาของดีๆวางข้างบนของไม่ดีวางข้างล่างนั่นพวกพ่อค้าเนี่ยสายนาอุมานะัาศเดินตัวตลาดไปเจอหนุ่มๆ น, นั่งอยู่รูปรลอ่ลอๆทำจบหลักสูตรการค้ายัง อย่างไปเรียนไปเรียนก่อนไปเรียนเรื่องฮารอมฮาร่านเรื่องโกงกับไม่โกงตาช่างให้เรียบร้อยก่อนเรียนเรื่องซุนน้านบีมาก่อนแล้วมาค้าขายถ้ายังไม่เรียนเนี่ยอย่ามาท่า น, นพวกเราก็เหมือนกันวันนี้ก่อนที่จะให้ลูกไปนั่งค้าขายเนี่ยต้องอบรมที่บ้านก่อนอ้าวแบบัยนาอุมัดจำได้ไหมเดินตรวจงานกลางคืนมีอยู่คืนหนึ่งลูกสาวกับแม่เถียงกันในบ้าน แม่บอกว่าลูกเอ้ยเอาน้ําปนนมผู้นี้เอานมไปขายที่ตลาดลูกสาวบอกว่าไม่ได้หรอกมาก้าเอ้ยไปนาอุมัดห้ามแม่บอกว่าไปนาอุมัดนอนอยู่ที่บ้านมองไม่เห็นลูกสาวบอกว่ารอบบวอุมัดไปใสนาอุมัดมองไม่เห็นแต่รอบเบียอุมัดอลัลลอฮฺเห็นน่ะเห็นไหมเนี่ยเขาจะอบรมกันในบ้านก่อนเนี่ยใช่ไหมล่ะ แดัลูกษาคนนี้ไซนาอุมัดขอแต่งงานกับลู ก, ลกชายของตัวเองแต่ก็ได้ลูกบาคนหนึ่งเสื้ออุมัดบินอับดุลอาซิสืขแคบมาดูเลยคนเนี้คนดีเลยเพราะแม่มี إيمان เห็นไหมในท้องทั้งหลายนี่การเลือกลูกสะพายมองได้หลายมุมเลยเรียกลูกสะพายเลือกอย่างไงเห็นไหมเลือกเบอร์ไซนาอุมัดเนี่ยแต่ยิ่งเป็นตัวนี้เขาเอาคนที่กลัวอัลลอฮ์ไปก่อนมีความเกง AH, รงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ س ب ح ا ละุ์ุุั่่ั่ั่ั่ั่ั่ั่ เอาไปลองมาดูกูอ่านออลลอฮ์ น, นี่นะกูอ่านนี่มันโยงกันหมดเลยนะโยงกันหมดเลยทําชีวิตทุกนบีอามาอธิบายได้ทุกคนเลยนะครับครับพี่เฉลิ ม, ม, อ, ยยมอยู่ในเมืองมัดยันนั่นแหละอยู่ในกลุ่มอนั่นแหละ น, นี่นี่ทัเนียอยู่ในกลุ่มนี่ยตั้งแต่าในซาอุดีอาราเบีย กูเจอซาอุดีอาราเบียเมืองอยู่น่อาดับซาอุดีเลยเดินทางจากไหนไปตะกี้นะผมผมอัานเลยไปแล้วนะยังอยู่แต่เมืองนี่ร้างอยู่ตรงนี้ร้างไม่มีคนอยู่เป็นร้างร้างอยู่นะครับอ๋อนั่นนบีชอยน์นั่ยากูบยากูบนบียากูบนบีชอยน์ใช่ใช่ เชื่อเดียวกันเชื่อเดียวกันใชใจใจใจเอาต่อมาอายาสุดท้ายฟันตาคอมนาหุมฟันตาคอมนามินหุมวะอินนาหุมาลาบีมามิ ม, มูบีนอายาสุดท้ายเนี่ยดังนั้นเราได้ลงโทษตะกอมนาอินติคอมป แ, แมมปลว่าแก้แค้นเดิมมันแปลว่าแก้แค้นตัวนี้ เราจะว่าอัลลอ์แก้แค่ได้ั้มไม่ได้อัลลอ์ลงโทษอัลลอ์ Allah ลงโทษพวกเขาวัอินนาหูมาแท้จริงเขาทั้งสองเขาทั้งสองหมายถึงใครกลุ่มนบีลูดกับกลุ่มไอกะชาวอะไรนะชาวป่าทึบกลุ่มนบีชุยบกับกลุ่มนบีลูดเนี่ยนะ และบีอีมามิมูบินอยู่บนทางที่โลง่งหมายความว่าไงหมายความว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเมืองเหล่านั้นยังอยู่ยังสามารถพิสูจน์ได้เดินไปหาความรู้ได้นี่คุรุอานเล่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำาัไปทาพัดไปทำอุมรอ้อเดินไปดูบ้างโอ้แทก็ต้องเก่งทางงานเนี้ยนะเนี่ยเห็นไหม สถานที่เหล่านี้ที่เอาล่อนลงโทษมาเนี่ยนะสถานที่เหล่านี้ยังอยู่ให้เห็นแบบเดียวกับพี่น้องไปทําอุ้มร้อไปแวะที่อียิปต์ไปเห็นภาพของอะไรนะฟาโร่โก็ยังมีให้เห็นอยู่วันนี้เหตุนั้นถามไว้เห็นเพื่ออะไรเพื่อจะปลุกอิมานเราให้มันดีขึ้นเท่า น, นั้นเองเอเนี่ยเ<โอ>นี่เนี่ยเยอะมากแล้ว อาทีนี้ก็ดูกูารานต่อไปนะอินนฟซาลิกลอายะที่เจ็ดเบเจ็ดเนี่ยอินนฟีซาลิกาลอายะแท้จริงในนั้นมีสัญญาณสัญญาณตรงนี้แปลว่าบทเรียนนะครับลิลอ ล, ลมุมินสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายเห็นไหมเป็นบทเรียนสอนใจพวกเราคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยมันหาเงิน หาความสุขหาความสําราญแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เจาะจงเลยนะเจาะจงไหมเจาะจงอินนฟิดายกะลอ่าย่แค่จริงเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มีสั ญ, ญลักษณ์ให้เห็นอยู่วันนี้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นบทเรียนสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวดาร่า إيمان มันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราคิดอ่านกูรานแล้วไปดูไปดูเหตุการณ์จริงๆด้วยนะอัลลอฮ์อักุบะ แล้วแท้เก่งๆนะอธิบายอะไรแต่ อ, อะไรนะอีิมานเพิ่มไหมอัลลอฮ์อิมานเพิ่มตลอดๆๆตัวหลวงว่าเราเนี่กับประวัติศาสตร์ต้องเรียนก็ต้องนึกเราต้องจําประวัติศาสตร์เนี่ยนอนให้ลูกเล่าให้ลูกหลานฟังตอนกล้จะนอนน่ะดีกว่าดูา ด, า ด, าดูละครน่ะอ้าววายทย์จะเล่าเรื่องอาซาบุลไอกานะในอาซาบุลฉวยนะเล่าให้ฟังลูกหลานมันฟังห ล, บลับก็รอกลัว อย่าโกงตาช่างนะลูกนะอย่าป่นสะดมนะอย่าทำชิริกนะเล่า บ, า บ, าบาอ่อยๆอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสามครั้งหรือภาคกระดูร้อนเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยเก่งๆกอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ฟังอิชอลร้อนนะเพราะเป็นละอายาตุนลิลมุมินีนเป็นบทเรียนสำหรับผู้อีมานต่อตอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะลาอาพี่น้องนบีสอนอย่างงี้นะ อัสฮาบุลไอากาเนี่ยความอัลล์ให้เจ็ดวันลงโทษเจ็ดวันตายเรียบหมดเลยฝรัลละต่อลาอัสฮาบิลไอกาอัลฮารความร้อนมาร้อนแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่มึงซับ อ, อาอัยามเจ็ดวันซุมมาอัสสาลาดะอัลฮิแล้วก็ส่งเมฆมาคนมันก็ร้อนมันก็หนีไปอยู่ที่ก้อนเมฆ ก้อนเมฆมาหนึ่งวัอลัลลอฮฺจะพาฝนมาก็ปไปย้อนรอกันเป็นแสนอ่ะแค่แล้วจากก้อนเมฆกลายเป็นก้อนหินตกลงมาตาเยเย็บหมดเลยประธานยังอยู่ยังอยู่ยยไปเยี่ย้าดไปเยือนได้ตลอดเวลาเพราะอลัลลอฮฺจะรักษาไวา้จนถึงวันทียามนั่นแหละยำเยือกเป็นต้ต้องการจะบอกพวกกูเรชเ อ, อ๋ย ที่ไม่เอานาบีมุฮัมม oh นะัดน่ะลองไปเที่ยวที่ทถบนั่นดูบ้างก็ได้ความจริงมันน่าจะเป็นบทเรียนพอแล้วนะสำหรับคนที่จะเอาศาสนาในวันนี้นะพอไหมพอแล้วเลยเมีอะไรถามไหมเพ่น้องมีไหไม่มีนะครับอา้าวสุลตานะกัลลอฮุะบิฮัมดิกาชฎุละอิลลฮะอิลลัอันตะอัสตัฟิรุกวะตบุลไกสลามุอะลัยกุมุละล์มตุลลา์วะบรักตุ